การฝึกในเจริญสติคือการฝึกมีสีเน่นนะการทะาัามีศีลและปะการใช้กายใช้วาจาและใช้ใจด้วยคือการฝึกสติสติเป็นเป็นศีลได้ใหญ่สติทำให้ทุกอย่างปกตินะศีลแปลว่าปกตนะิเวลา เราทุกอย่างถ้ามันเคลื่อนไปขึ้นมาไม่ไม่ยังไม่เที่ยงพอมันหยุดปกติก็แปลว่าเป็นศีลอันนี้จังเปลี่ยนสับไปสมายังไม่ไม่คงที่พอเข้าที่เข้าทางแล้วอันนี้จังก็เปลี่ยนเป็นศีลโดยมีตัวสติเป็นตัวจัดการนะนี่ถ้าหากว่ายังไม่เข้าที่เข้าทางไม่ลงตัว มันก็จะเป็นอ น, นิจจังก็เปลี่ยนเป็นทุกขงังเพราะเข้าที่ลงตัวปกติมันก็เข้าที่เ่อาทางกระชับมั่นคงแทนที่อ น, นิจจังจะเปลี่ยนเป็นทุกขังก็เป็นเป็นสมาธิอ่ะอ น, นิจจังเป็นศีลทุกขังเป็นสมาธิหมายความว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้วอ่ะพอเข้าที่เข้าทางแล้วก็เกิดความสะอาดเรียบร้อยปร่งใสได้ประโยชน์ ทนที่ทุกขังจะเปลี่ยนเป็นอนัตตก็เปลี่ยนเป็นปัญญาอานิจังทุกขังอนัตตก็เป็นศีลสมาธิปัญญาลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวสติจึงเป็นตัวแปรที่สําคัญในการที่จะเปลี่ยนอนิจังทุกขังหน้าตาให้เป็นศีลสมาธิปัญญาเรียกเปลี่ยนไตรลักษ์ให้เป็นไตรสิกขาเพราะฉะนั้นจับประเด็นตรนี้ให้ได้ก่อนว่าในการ ในการทำความเข้าใจว่าอานิจังเป็นศีลได้อย่างไรโมเมหรือเปล่ามั่วหรือเปล่านะเขาเป็นหลักของนมามธรรมแต่ถ้ามองให้ลูกเขาทำเข้าไปรูกประธรรมเข้าไปว่าถ้าเป็นอานิจังทุกขังหน้าตามันไม่ต้องจัดการอะไรมันก็ไปตามเรื่องเวลาเรานั่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้ทุกข์ของมันเองอเดี๋ยวก็ทนไม่ได้มัก็ลูกนี้เองอ เดี๋ยวก็พริกตรงนั้นเปลี่ยนมันเป็นไปเองเลยนะ น, นี่เขาเรียกว่าเป็นกฎของอานิจังที่เป็นโดยธรรมชาติเป็นแล้วก็เรียกว่าเป็นกฎของใจรักใจก็ต้องคิดไปตามนั้นตัวอา น, นิจังก็เปลี่ยนไปทุกขงังเพราะความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันก็นุ่นวายยุ่งยากสับสนเป็นทุกข์แล้วก็ใช้ไม่ได้มั น, นอา น, นิจัง อนัตตาความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่ว่าแปลว่าใช้ไม่ได้เป็นอนัตตาที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะแต่พอเราเอาสติเข้าไปจัดการแล้วฝึกสตินี่เพื่ออะไรเพื่อจะเปลี่ยนตรลักษณ์ทั้งศีลให้เป็นอันนี้จังห้เปลี่ยนเป็นสมาธิมันไม่เที่ยงไม่ปกติมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ปรับ้เข้าที่เข้าทางให้เป็นปกติเพราะนั้นศีลโดยปรมัตต์แปลว่าปกติ ถ้าโดยสมมติแปลว่าข้อห้ามพ่อควรระวังข้อระวังสำรวมข้อคนงดเว้นที่แปลโดยสม ม, ยสมุติพอมาแปลโดยสมมติศีนึงแปลว่าวินยัยศีนถ้าเป็นสมมติแปลว่าวินยัยถ้าไปโดยปรมาทิแปลว่าปกติคืสตินั่นเองมีสติเป็นวินัยว่าพระอริยเจ้ามีสติเป็นวินยัยคือเอาวินัยเนี่ยเป็นศีล หมายความว่าพอท่านมีมีสติเนี่ยวินัยมันก็เกิดขึ้นเพราะวินัยเกิดสมัยหลังสมัยแรกก็มีพระธรรมมันเดียวนะเมื่อรำแต่เมื่อมีปัญหาขึ้นมาท่านก็บัญญัติเป็นกฎกติกาสําหรับคนที่ยังไม่ไม่มีไม่มีสติต้องใช้วินัยเข้าไปแทนพอคนมีสติแล้วก็ใช้ธรรมะเลยเพราะฉะนั้นยุคแรกๆเนี่ยพระอรหันต์เกิดเดยอะเพราะว่าไม่ต้องมีวินัยมาจุกจิกวุ่นวาย ใ น, นเมื่อเกิดธรรมะในจิตในใจแล้วคนก็มีฮีริโอตปะมีวินัยอยู่ในตัววินัยโดยธรรมนนเหมือนเถิดเรียกว่าธรรมวินัยสมัยนะั้นธรรมะวินัยเขาเรียกว่าปาวพุทธน่ะอันะนั้นในการทำความพอใจเรื่องนี้ mm hmm. ก็อยากจะเห็นเป็นรูปธรรมให้ชัดเพราะว่าคาถาที่เราสวดเม่อกี่ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างสําเร็จแล้วที่ใจ ถ้าใจขาดสติความทุกข์ก็ตามมาเหมือนกับเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคแต่ถ้าใจนั้นมีสติทุกอย่างก็เรียบร้อยดีงามการพูดการทําการคิดก็ดีความสุขก็ตามมาเองเหมือนเงาตามตัวคาถาที่เราสวดเมื่อกี้แล้วคาถาต่อมาท่านก็บ่าผู้ใดเห็นทำโยธรรมังปัสสติโสมังปฏสสิผู้นั้นเห็นเรา คนไหนเห็นธรรมก็คือมือนก็เห็นตัวเราเห็นตัวเราเองนี่แหละได้ว่าเห็นธรรมแต่ว่าพระอัจฉราาิยะท่านเกรงว่า <c oughs> มันจะไม่เข้าใจเป็นด้านสมมุติท่านก็เลยวงเล็บเข้ามาเราแต่ทาคดหมายถึงว่าพระพุทธเจา้าแต่พระพุทธเจา้าท่านปรินิพานไปแล้วปัจจุบันนี้ก็แสดงว่ามีคนเห็นธรรมเพราะไม่เห็น พ, พุทธเจา้ามันก็ไม่ถูก นัานคำว่าเราคือเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเบิกบานนั่นแหละเราเห็นธรรมคือเห็นผู้รู้ผู้เบิกบานในตนเอง น, นั่นเรียกว่าเห็นเราเองที่มีความรู้ตื่นเบิกบานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราโยมังปสติโซธรรมังปสติผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นรู้ตื่นเบิกบานในตัวเองผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นธรรมละต่อมาท่านขยายธรรมบอกว่าโยธรรมัง ป ส, สติโสปฏิเจสมุปาทางป ส, สติคําว่าทำในที่นี้ท่านหมายถึงการได้เห็นทุกการได้เห็น <c oughs> ทุกเกิดจากอะไร <c oughs> เกิดจากอาวิชชา <c oughs> หรือปติ <c oughs> ปสุบาดทุกเกิดจากอาวิชชาเมื่อแปลงอวิชชาให้เป็นวิชาเสียก็ได้เห็นธรรมนั่นการเห็นปฏิสุบาดคือเห็นเหตุ ก็แปลงเหตุนั้นเกิดจากวิชาก็แปลงวิชาให้เป็นตัววิชาคือเป็นตัวรู้การเห็นธรรมคือเห็นตัวรู้นั่นเองอแต่ถ้าหากว่าได้เห็นตัวทุก์กาหนดรู้ทุกตัวรู้ทุกมันก็ขอให้เกิดเห็นสมุทัยและเห็นนิโรธเห็นมรรคนั้นเรียกว่าเห็นธรรมนีมน่ที่เราสวดมาเมื่อกี้ก็หมายถึงจุดเนี้นะ นี้การมาสร้างตัวความรู้สึกตัวหรือสติสมัญญะเนี่ยก็เพื่อที่จะให้เห็นภาวะรู้ตื่นเบิกบานนั่นเองนี้ถ้าหากว่าเราจะตกเป็นทาสของอนิจจังทุกขังหน้าตาเลื่อยไปมันก็จะทำให้เรานี่ไม่มีที่พึ่ง่ะนะไม่มีที่พึ่งคือไหลไปตามกระแสของโลก ไหลไปตามกระแสของชาติยานไหลประแสไหลไปตามกระแสของความเกิดของแก่ของมเจ็บของตายอยู่เรื่อยไปแต่ทีนี้เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราน่าจะต้องมีความสามารถที่จะไม่ไหลก็ได้เพราะะฉนั้นมนุษย์คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้ค้นพบว่าเออเมื่อมีการเกิดก็น่าจะไม่มีเมื่อมีการเกิดก็จะมีสิ่งที่แก้การเกิดได้เมื่อมีการเจ็บก็น่าจะมีสิ่งที่แก้การเจ็บได้ เมื่อมีการตายก็ต้องมีสิ่งที่แก้การตายได้เมื่อมันมีมืดก็ต้องมีสว่างแก้ได้เมื่อมีร้อนก็น่าจะมีเย็นแก้ได้นี่ท่านได้สติขึ้นมาอย่างนี้อ่ามีร้อนเราก็ยังวิ่งไปหาเย็นได้ทํทำไมมันมีป่วยทาไมวิ่งไปหาไม่ป่วยทำไมไม่ได้อ่าเวลาม่มืดเราเรมวิ่งไปหาสว่างเอาเวลาเรามีทุกเราก็น่าจะมีไม่ทุกข์เข้ามาแก้ได้เวลามันมีตายก็น่าจะ วิ่งไปหาที่ไอสิ่งที่ไม่ตายได้เนี่ยท่านเกิดสติขึ้นมาตรงนี้ปับ๊บท่านก็เลยตั้งหาสัจจะอธิษฐานที่จะค้นหาความจริงอันนี้ก็มาดูว่าค้นหาความจริงนี่ท่านได้พบสัญญาณนันหนึ่งที่ทําให้คิดเรื่องนี้ได้ก็คือตรงที่ท่านได้ออกไปดูชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายไปกำนายนชนะไปเห็นคนแก่ ซึ่งอยู่ในประาราชวังบอกว่าตามประวัติบอกท่านก็เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาก่อนวันนั้นพอคือได้รับการปิดบังจากฝ่ายครอบครัวเพื่อมาเห็นมาเห็นไม่เห็นไม่ให้เจ้าชายเนีไปเห็นของจริงต่างๆในสังคมกลัวว่าจะเกิดความไม่มั่นใจในการครองราชแต่วันหนึ่งท่านก็แอบออกไปกับนายชนะเขาไปเห็นคนแก่ ก็ถามว่านักใครเออนี่คนแก่เราจะแก่อย่างนี้ไหมก็แกอ่ อ, อย่างนี้แหละอไปหน่อยไปเห็นคนตายก็าถามว่า น, นักใครคือคนเออคนเจ็บเราจะเจ็บย่างเราก็เจ็บอย่างนี้เราไปเห็นคนตายเราจะตายอย่างนี้ไหมก็ตายอย่างนี้ทุกคนอ่ะโอ้ล้วจะอยู่ไปทําไมมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแบบนี้พอไปอีกหน่อยไปเห็นสมณะไปเห็นนักบวชนะอันนี้ใครนักบวชนะบวชบวชเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาความสงบสงบจากอะไร สงบจากความแก่ความเกี่ยวความตายเออนะั่นเป็นนักบวชเป็นสมณะดีฝ่าอะไรก็ตัดสินใจออกบวชเนี่ยพอได้เห็นเทวทูตทั้งสี่คือเห็นคนแก่คนเกลียบคนตายเห็นสมณะนะะ อ, ออกบวชแล้วก็แสวงหาละทีนี้ตามประวัติบอกว่าท่านออกบวชที่ไหนนะเราเป็นชาวพุทธคงจําได้นะพุทธเจ้าออกบวชณี่ใดที่แม่น้ําอะไรนะ แม่น้ำอโนมาใช่ไหมไปถึงนั้นแม่น้ำอโนมาก็สว่างพอดีละ <c oughs> หนีทั้งคืนตรงนั้นเลยก่อนที่จะหนีเนี่ยกับหลังจากไปเสด็จพระภาพพระนครแล้วกลับมาในวังโอเชียอะไรพระราหุนเกิดพอดีเจออ่ะนะแล้วข่าวเข้ามาบอกขา่าวนางกีสาโคตมีมาบอกขา่าวนี่พระราชะบุตรประสูดแล้วไปดูกันหน่อยโอ ก็ท่านก็เลยให้รางวัลใหญ่นางกีสากตุมีโอมาบอกข่าวดีกับเร า, เาว่าเกิดแล้วอันนั้นบ่วงเกิดแล้วลาหูลังชาตังราหูหลังชาตังบ่วงเกิดแล้วเพราะฉะนั้นเล่นรีบหนีเลยนะเปิดเข้าไปดูหน่อยก็ให้นายชนะแต่งมา้าแต่งอะไรก็หนีเลยนะถ้าหากว่าไม่รีบหนีเนี่ยไปเห็นลูกก็ต้องลักลูกก็ยิ่งเป็นบ่วงผูกคอปอผูกศอกปอกผูกเท้านี่ยากนะ ตอนนี้เพิ่งเกิดบ่วงเดียวบางคนเกิดเก้าบ่วงสีบ่วงก็ยังไม่หนีเลยเพราะอะไรมัดหมดเลยแน่นเลยเป็นตายสังเพราะนั้นเวลาคนตายมาก็เลยมัดตายสังปลอกบ่วงผูกคอตายสังหนึ่งปอกที่คอนาสังที่ตัวหน้าอกตายสังที่เท้าว่าเราทั้งหลายเนี่ยถูกมดัดโดยจังตายสังสามอย่างห่วงผูกคอได้แก่ใครได้แก่ลูกใช่ไหมห่วงผูกคอปอกผูกศอก ได้แก่ภรรยาสามีปลอกสุขเท้าปลอกใส่เท้าก็ได้แก่ทรัพย์ ส, สมบัติมันจะผูกเราให้อยู่ในวัฏสงสารอย่างนี้แหละสลัดไม่หลุดเวลาคุณตายเขก็เลยทํามรต ais ั่งไว้กันเป็นสัญลักษณ์ว่าที่ตายก็เพราะอย่างงี้นะเพราะนั้นพระท่านเห็นอย่างนี้พลก็เลยอธิษฐานบวชที่แม่น้ำอนุมานาะทีบอกช น, นะเครื่องประดับของฉันเนี่ยเธอเอากลับบ้านก็แล้วกันนะ กลับไปขอจะทำให้เธออยู่ได้สบายท่านนาก็บอกโอ้ก็ก็รู้สึกลังเลใจจะออกบทตามหรือจะกลับบ้านนะก็ต่อมาท่านอธิฐานตัดพรมูลีหรือว่าเกศาตัดผมอะาวาที่พระมหาโพธิสัตว์อธิฐานออกบทก็กระเทือนเลื่อนลั่นไปถึง สวรรค์ชั้นดาวดึงนพระอินหรือพระเทวสาร์สนยัยก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็ส่องลงมาอ๋อพระมหาโพธิสัตว์สิทธัตถะอออกบวชเขาก็เลยรีบลงมาเอาพระอกทองมารองรับอะไรอกเกสาใช่ไหมเราไปสถิตไว้ที่สวรรค์ชั้นไหนดาวดึงเพราะฉะนั้นใครอยากจะไป สาการะกับพระเกศาพูทธเจ้าก็ต้องขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึง <c oughs> ซึ่งพระอินเป็นาสาวสากาเทวราชเนี่ยเป็นหัวหน้าในสวรรค์ชั้นนี้เสร็จแล้วท่านบอกว่าหลังจากท่านปรุงพระเกศาเนี่ยผมที่ท่านปรุงนั้นไม่ได้งอกขึ้นอีกเลยนะแตเหลือลออกสององคุรีว่างั้นที่เหลือนั้นก็ไปเก็บไว้ในบรรจุไว้ในเกศแก้วจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึง เริ่มเป็นปิศนาตั้งแต่นู้นเลยนะปิศนาได้ ว, ว่าตัดผมหรือตัดพระมรีปรุงพระเกศาแล้วมันไม่งอกทางอยู่สององคุลีมาตลอดจนเราจะเห็นว่าพระเกศาพุทธเจ้าจะเป็นมวยผมเล็กๆนั้นทีนี้สิ่งเหล่านี้ท่านสอนอะไรท่านสอนอะไรสอนว่าถ้า เราจะต้องออกบวชให้จิตใจของเราได้ออกจากแท้ๆเนี่ยต้องตัดสิ่งที่เป็นพันธะภาระผูกพันร้อยสิ่งพันอย่างเหมือนเส้นผมเนี่ยให้ได้มันจะออกมาในรูปของความคิดต่างๆนาน า, น า, น า, นาต้องตัดนะให้เหลือสององคุลีหมายความว่าไสององคุลีที่หมายถึงให้เหลืออะไร ลูกกับน้ำไม่งอกอเลยให้เหลยลูกกับน้าแต่ถ้ามันงอกขึ้นได้แสดงว่ามันเป็นอะไรเป็นนามาลูกมีความคิดนั่นแหละเพราะนั้นเส้นผมตัวแทนของความคิดที่มันคิดวันนี้ใครคิดจนผมเต็มหัวเลยวันนี้นะหายบางที่ไม่คิดวันนี้คิดสาเราฟัดเรื่องจช่ไม่ออกมาแล้วตัดมันว่าตัดทันไหมหลือเสา อ, องคุรีไหมตอนนี้ยังเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมความคิดยังพุกนี่ยังมาอีกนะฮะ แต่ถ้ า, าก็ตัดได้ไม่ได้สององคุลีหมายความว่ารู้สึกรู้สึกตัวเหลือแต่ความรู้สึกตัวนี่เพราะนั้นคำว่ารูปนําก็คือความรู้สึกตัวนั่นแหละถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ใจไม่ได้คิดอะไรเลยนะรู้สึกตัวกาลังยกเหมือรู้สึกตัวกําลังเดินอยู่นั่นแหละเรียกว่า2องค์คุลีคือรู้กายรู้ใจกําลังทําอะไรอยู่โดยที่ไม่มีความคิดไม่มีการปรุงแต่งเกิดขึ้นถ้ามีความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ใช้ดาบดาบ กายสิทก็คือตัวปัญญาปัญญาญาณหรือวิปาาัสนาญาณหรือเป็นพระกะดับกะยสิทธิแล้วทีนี้ทําไมพระอินทร์ต้องมารับเอาผมนั้นด้วยนั่นหมายความว่าจิตมันรับรู้สิ่งที่เราคิดเนี่ยจิตที่รับเก็บเอาหมดอะไรที่คิดมาเนี่ยจิตเนี่ยเป็นตัวเก็บรวบรวมให้เกิดความคิดจิตก็คือพระอินทร์นั่นเองนะ ทีนี้เองเราก็พอเรามาเจริญสติเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมมันงอกความคิดมันงอกได้ตลอดเวลาคือตัวกฎของตจรักนั่นเองนะเราก็จึงมาจัด ก, การที่เปลี่ยนกฎตจรักแต่ว่าในการที่จะเปลี่ยนกฎตจรักนั้นเราจะเปลี่ยนได้ส่วนเดียวเปลี่ยนทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ากฎใลรักมันยังครอบคุม ในรูปทั้งหมดนะแต่ถ้าหากว่านามคือความรู้สึกของเราเนี่ยถ้ามีรูปเข้าไปหรือว่าความคิดที่เรียกว่านามมารูปเข้าไปโกฏิลักษ์ก็ตามเข้าไปถึงใจด้วยเพราะเราจึงมาสร้างตัวรู้สึกตัวเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้โกฏิลักษที่มาอยู่ในรูปเนี่ยไม่ให้ไหลเข้าไปในานามได้เช่นเรานั่งเนี่ยรู้สึกหนักนะรู้สึกหนักไม่สบายเนี่ยอันนี้จังเปลี่ยนแปลงเป็ น, ป น, ปนทุกขังแล้ใช่ไหม ที่ความไม่สบายแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีสติไอ้ความทุกข์คือหนักที่ที่กายไม่สบายทางกายมันก็จะไหลเข้าสู่จิตจิตก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบหมุดหิดลำคาญ อ, อึดอัดขัดเคืองปฏิฆะขุนมัวปูงแก่งนั่นนั่นเขาเรียกว่ามันโกรธใจรักไหลเข้าไปสู่จิตแล้วจะเกิด อ, อาการอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเรามีสติแทนที่จะปล่อยให้ ไตลักเนี่ยบีบคั้นร่างกายจนไหลคข้าสู่จิตแล้วก็สติเข้ามาปรับเรียบบทโดยความรู้สึกตัวความหนักก็หายไปความหนักที่ปรากฏที่ร่างกายร่างกายของเรามันก็ไม่แปลสภาพเข้าไปเป็นตัวนารูปรูปนามก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมใจก็ยังรู้กำหนดรู้โดยที่ไม่เข้าไปเป็นอาการของอนิจจังทุกขังนาตาที่มันพรุงแต่งที่กาย ลักษณะนี้เรียกว่าสติความรู้สึกตัวก็เปลี่ยนเป็นสัมปชัญญะนะเปลี่ยนเป็นสัมปชัญญะและสัมปชัญญะที่มันต่อเนื่องนานๆมันก็เปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิสติที่มีสัมปชัญญะเรียกว่าสัมมาสติถ้าสติขาดสัมปชัญญะยังมิฉาสติเป็นเพียงสมถะ เพราะนั่นเองเวลารู้สึกตัวเวลายกเนี่ยเราก็อย่ารู้แต่มืออย่างเดียวให้รู้ในส่วนที่ร่างกายรับรู้ทั้งหมดมันหนักที่หัวมันปวดที่หลังมันหนักที่ขาบางคนไม่รู้สึกตัวเลยนั่งนานพอลุกขึ้นทีจะลุกทีขยับไม่ได้เพราะอะไรเพราะจะคิวเจ้าขาลุกขึ้นก็ เรีกว่าชกจะยืนไม่ไหวนั่นแสดงว่ามันเพลินในเวทนาจนกระทั่งไม่เห็นทุกข์อ่ะจนกระทั่งขานี่มันเน็บแต่คิวจับนะเพราะนั้นเวลาเราจะปรับป้องกันไม่ให้ทุกขเวทนาที่มันเกิดด้วยอนำนาจของนิจังมาเป็นทุกขังเนี่ยไม่ให้มันไหลเข้าสู่จิตเราก็ต้องเริ่มเปลี่ยนปรับตั้งแต่อนิจังละที่มัน ความรู้สึกที่มันเติบโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นที่มันขยายตัวไปเรื่อยๆเนี่ยที่เรานั่งลงไปปั๊บความรู้สึกปวดปก็โตขึ้นเรื่อยๆอที่มันโตขึ้นรู้สึกว่ามันจะเป็นทุกขงังแล้วคือมันจะหนักแล้ก็ปรับขยับนิดหนึง่งพอขยับนิดหนึ่งก็กลับปกติใหม่ก็เป็นสีแล้วใช่ไหมแตพ่พอเราตั้งใจปรับเรื่อยๆเนี่ยตั้งใจ ตั้งใจปรับเฝ้าดูไม่ให้จิตใจว่าไว่าไปที่อื่นนะค่อยจับช่องดูที่กายที่รูปของเราเนี่ยว่าไอตัวไม่สบายมันจะเกิดที่ดูไหนส่วนไหนของร่างกายเราค่อยปรับการขยันปรับไปปรับมาโดยให้ไม่จิตสจิตไม่โศกนอกตรงนั้นก็เป็นอะไรอันนี้จางเปลี่ยนเป็นศีลแล้วก็พอค่อยปรับตั้งใจปรับก็เปลี่ยนเป็นสมาธิแทนที่จะเป็นทุกขัง เป็นสมาธิพ่าขยันปรับขยันเปลี่ยนขยันศึกษาขยันตามรู้ใจเขาจดจ่ออยู่กับแต่ปรับกายบำบัดทุกตัวเองไปเรื่อยๆอย่าแทนที่จะเป็นทุกขงังเป็นสมาธิทันนะเป็นสมาธิทีนี้เมื่อจิตของเราไม่วอกแวกหวั่นไหวไปกับความคิดเพราะไม่มีความคิดเพราะมีแต่ความรู้พาะ อ, อะไร ความคิดไม่เกิดเพราะเวทนาไม่บีบคั้นจิตแต่การที่จิตมันไปคิดเพราะมีถูกเวทนาบีบคั้นเวท่นานทางกายที่เราไม่ได้ตามรู้เวทน า, นานกายก็หลุดเข้าสู่จิตไปบีบจิตต่อจิตก็อยู่เฉยไม่ได้เกิดความปรุงแต่งงุฎจิตลำคัญปฏิฆะขัดแย้งคิดโน้นคิดนี่เราก็กลับมาปรับทุกเวทนานทางกายออกไปความคิดก็บำลงลักษณะที่เราปรับไปปรับมามันเกิดอง ค, ความรู้ว่าอ๋อการที่ อ่าตัวทุกขังเนี่ยที่มันไม่สามารถจะทนได้มันจะต้องหาที่ออกออกจากกายมันไปสู่ใจออกจากใจมาสู่กายดังนั้นการที่เราตั้งใจปรับไปปรับมานั้นมันระบายทุกข์ออกก่อนที่จะมันถึงจุดที่มันทนไม่ไหวเพราะสติเข้าไปช่วยระบายค่อยปรับคอยแก่สมาธิก็เปลี่ยนเป็นตัวปัญญาโดยลักษณะนี้อืม สัมมาสติก็คือคือมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสัมปชัญญะด้วยและสัมปชัญญะก็เปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิและสัมมาสมาธิก็เปลี่ยนเป็นปัญญาปัญญาก็เปลี่ยนเป็นญาณญาณก็เป็นวิปัสสนาญาณวิปาาัสสนาญาณตรงนี้ก็ไปตามรู้ทันจิตพอไปตามรู้ทันจิตก็ตัดปรุงความปรุงแต่งได้นี่เรียกว่าเป็นดาบกเยสิทธิ์คือวิปัสสนาญาณคอยตัดสิ่งที่มันเข้ามา เราจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวไตรลักษณ์กับไตรสิขาเนี่ยมันสัมพันธ์กันซึ่งมีตัวสติสัมมาญาเป็นตัวแปรที่สําคัญดังนั้นเราก็ต้องมาตั้งใจฝึกสติฝึกสัมมาสติฝึกสัมปชัญญะสติระ้ว่ามาหลายหลายครั้งละสําหรับผู้ที่เคยอบรมมาแล้วแต่บางคนยังไม่ได้ว่าสติที่มันจะเป็นสัมปชัญญะแล้วเปลี่ยนเป็นสัมมาสมาธิได้อย่างไร มั่วหรืปล่าไม่มั่วนะเพราะอะไรเพราะสติที่จะเป็นสัมมาสติเนี่ยต้องมีสมัชญยะสมัชนญะแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมขณะ น, นี้เราไม่ได้รู้เฉพาะที่มันหนักแต่พวกอย่างเดียวเรารู้ในส่วนอื่นด้วยรู้ในส่วนที่เอวมันเป็นไงหนักไหมหลังเป็นไงไหลไปไ ง, าไปไงขาไปไงแต่คิวจับไหมสํารวจดูการที่เราเอาสติเข้าไปสํารวจทั่วๆอย่างเงี้ย เรียกว่าสัมปชัญญะแต่ในตัวสัมปชัญญะสัมปชัญญะเองท่านแบ่งเป็นสี่อย่างอีกน ะ, ะซึ่งได้กล่าวมาวันก่อนยังไม่ได้กล่าวพูดถึงสัมปชัญญะทั้งสก็จะขยายเห็นชัดว่าสัมปชัญญะสีนี่หมายถึงว่าหนึ่งต้องการขยับปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งที่เราจะปรับเปลี่ยนเนี่ยเราต้องรู้เป้าหมายรู้เป้าหมายว่าคุณปรับเพื่ออะไรคุณเคลื่อนไหวเพื่ออะไรในการเคลื่อนไหวของเราจะต้องมี เหตุผลอันสมควรด้วยนะสําหรับผู้ศึกษาเนะี่ยสหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องวิปัสนาเขาขึ้นไหวไปเรื่อยๆขึ้นไหวเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกข์แต่เขาไม่รู้ว่าเขาบำบัดทุกข์มันเป็นสัญชตาตญาณเป็นความเคยชินพอไม่สบายก็ขึ้นไปขึ้นมาเพื่อจะปรับเอาทุกข์ออกโดยสัญชตาตญาณจึงไม่เกิดองค์ความรู้ของตัวสัมชัญโยที่เรียกว่าศาสตร์กาศสัมมัชโย การที่เราปรับแล้วปรับอีกหรือขยับแล้วอยู่อีกเคลื่อนไหวแล้วเคลื่อนไหวอีกอย่างรู้เป้าหมายอย่างรู้ประโยชน์อย่างรู้อนิสงส์นเองแล้วเรื่องศาสตรกาศสัมชัญญะทันนะเรื่างศาสตกะสัมพัญญะอันที่สองสัมพัชญะอันที่สองเมื่อปรับแล้วเกิดความเบาสบายไหมเกิดความปลอดปร่งความอึดอัดหายไปไหมร่างกายความลําบากกายนี่หายไปไหม ถ้าความรบ ก, กายหายไปเกิดความสบายขึ้นมาแทนเรียกว่าส ป, ปายะสัมปัญญารู้ด้วยว่าขณะนี้ร่างกายปลอปรงเบาสบายนี่เป็นสัมปัญะที่ต้องต้องเป็นส ป, ปายะไม่ใช่อึดอัดขัดเคืองเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บปวดก็ปล่อยให้ปวดมันไม่ใช่เรามันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นครับบัญชาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันปวดไปอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิไม่ใช่สมาสมาธิเป็นมิจฉาสติไม่ใช่สมมาสติ สมาสติต้องมีความมีสพายะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าเบาสบายน ะ, ะเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติที่ชอบทรมานตัวเองทั้งหลายให้เข้าใจว่ามันผิดเพราะสัมปชัญญะยี่นั่นมันล็อกเอาไว้อย่างนั้นมันเป็นพุทธพจน์ไม่ใช่ละมัมั่วเองและอันที่สามละวางที่เราเฝ้าดูเนี่ยจิตของเราแฉลบออกไปข้างนอกไหมจิตของเราส่งไปนอกนอกไหมหรือว่ามัน โคจรอยู่ในกายของเรานี้จิตของเราเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงระหว่างหัวจุดเท้าเท้าตั้งแต่เท้าจุดหัวเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้ไหมหรือมันวิ่งออกไปข้างนอกถ้าจิตมันวิ่งออกไปข้างนอกก็เรียกว่ามันผิดไปไปอโคจรการที่จิตของเราเลล่อนอไปตรงโน้นตรงนี้เป็นอโคจรแต่พอหากจิตที่มันมาโคจรอยู่ในกายอันนี้กว้างศอกยาวาหนาคืบในท้าสี่ดินะขันห้าตรงนี้ปั๊บ เขาเรียกวโครจระสัมปัญญะรู้ว่าจิตอยู่กับกายนะไม่ได้แชลับไม่ได้เฉลีลยออกไปข้างนอกนะนี่เรียกวโครจระสัมปัญญนะนะต้องเอาตัวนี้เข้าไปจับว่าสติเราจะถูกหรือไม่ถูกอันที่สี่เมื่อเราได้สำรวจว่าประโยชน์เกิดขึ้นกับตัวรู้สึกตัวชัดไหม แล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยรู้สึกสบายโปร่งเบาไหมแล้วกายกับใจยังโคจรสัมพันธ์กันดีอยู่ไหมถ้าหากสํารวจตรวจสอบแล้วมันชัดเจนทุกส่วนทั้งสข้อที่ผ่าน ม, มาอันที่4แล้วจึงเรียกว่าอาสัโมหะสัมปชัญญะคือไม่หลงลืมในการทํางานของทั้งสาประเด็นข้างตน้นสํารวจตรวจสอบแล้วทํางานได้ถูกต้องแม่นยําเป็นอะสามโมหะคือไม่เป็นโมหะเป็นอะสามโมหะคือมีความาไม่หลงลืม ในการที่จะสำรวจตรวจสอบในความรู้สึกตัวโทษเพราะมานั้นว่ามันมีความาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อสัมปชัญญะทั้ง4นี้ทำงานได้ถูกต้อง mm. ก็เรียกเป็นสัมมาสมาธิอ่าสมาสมาธิก็ประกอบด้วยองค์4ีอีก mm. ใช่ตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่4ี่เข้าไปตรงนั้นเลยถ้าหากว่าจัดการเรื่อง ของสัมปชัญญะทั้ง4ีได้ถูกต้องมันก็จะเป็นองค์ของฌานโดยองค์ของฌานที่เป็นเป็นสามพุทธชงไม่จะเป็นองค์ของฌานที่เป็นฌานทั้ง4ี่ในสมถะแต่การเป็นฌานของสัมพุทธชงนะดังนั้นเองในลักษณะเงี้ยมันลักษณะของปริยัติกับปฏิบัติมันก็จะต้องล็อกกันไปตัวถ้าหากว่าในภาคปฏิบัติถ้าไม่มีตัวปฏิบัติตัวปริยัติคอยตรวจสอบเนี่ยมันก็ปฏิบัติไป พิธีอะพิทางอะอะมันก็ผลไม่แน่นอนละก็หลงไปตามความรู้ของเราติดใจวิปัสนูบ้างติดวิปลาสบ้างติดจินตยานบ้างแก่ยากละ่ะนะหลงกายแก่ง่ายหลงใจแก่ยากนะนั้นเมื่อเราเห็นขบวนการความรู้สึกตัวทั่วพร้อมชัดเจนอย่างนี้มันก็เลยมั่นใจในการปฏิบัติ พอเวลาเราลุกเรานั่งเยาวย่างเดินก็มั่นใจในการสํารวจตรวจสอบตัวเองโดยอาศัยหลักนี้ถ้ามันคิดมันปรุงแต่งมันใช่แล้วไปข้างนอกเราก็เออสัมผัสชญยะล้วไม่สมบูรณ์แล้วนะก็ดึงจิตกับมาโคจรกับกายใหม่ถ้าทำไปแล้วมันอึดอัดขัดเคืองมันไม่สบายทั้งกายและจิตแสดงว่ามันผิดสัมผัสชญยะไม่เป็นสัปปะยะละก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันสัปปยะ ถ้าเกิดเพลอภัยการเคลื่อนไหวไปโดยที่ไม่กําหนดรู้มันก็ผิดสัมปัญญาแล้วคือไม่เป็นศาสตร์กาศสัมปัญญะเพราะในการเคลื่อนไหวไม่รู้เป้าหมายไม่มีเจตนาทําไปได้วยความเคยชินไม่เป็นศาตรกะศสัมปัญญาและเสนอที้มันก็จะเป็นสัมมาสมาธิและส ม, มาสมาธิตัวนี้มันก็จะเป็นตัวนําเข้าไปสู่ฌานสมถะที่เอื้อต่อ ว, วิปัสสนานะ เพราะนั้นในการปฏิบัติของเราทั้งหลายถ้าหากว่าเรามั่นใจในหลักการอย่างนี้ในภาคปฏิบัติบางคนไม่จําเป็นต้องรู้เรื่องประหยัดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าอาศัยเรามาพูดให้กันฟังว่าเออที่มันถูกเพราะมันไปทางทางนี้นะมาชี้ทางว่าถูกมันต้องทางนี้นะทางนี้ถ้าออกไปทางนี้ไม่ใช่เราก็บอกกันแล้วเราก็ไปพยายามทำํำโดยที่ต้องไม่ต้องเพราะว่าเรามี กระยามตหรือผู้ชี้ทางเหมือนกับเรานั่งรถขบวนนั้นแล้วก็มีคนขับรู้ทางแล้วก็พาไปสู่เป้าหมายได้เราไม่จะเป็นรู้รายรู้รายละเอียดของทางแต่เดี๋ยวนี้เรามีการะยานิมิตพิเศษแต่ GPS มันก็ไม่เท่าคนชำนาญทางนะใช่ไหม GPS บางทีก็ยังพาเราหลงไปทั่วเพราะอะไรเพราะองค์ประกอบมันไม่สมบูรณ์ถ้าบางเขต อินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณไม่พอมันก็พาเราไปทั่วแล้วทีนี้แต่ถ้าคนรู้จักทางหมายควาคนคนนี้เคยเดินทางเส้นนี้มาจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องมี G P S อะเราใช้ G P M เอามาเรียกว่า G P M G P M อะไร g p m ก็ g p เมาสแหละใช้ปากถามเอาแล้วถ้าหาาคนเขาไม่รู้ทางก็อาจอดหน่อยก็ถามเออทางนี้ไฟตรงนี้ถูกไหมเออถูกไปทางนี้แหละนี่คือ p m ว่า g p เมานะอันนั้นเองก็ในการปฏิบัติถ้าหากว่าเราเข้าใจในส่วนที่เป็นรูปรธรรมนะเรื่องนํา ม, มาทำมันก็เข้าใจไม่ยากมันก็เห็นแจ้งมันชัดเจนดในตัวของมันเองนั้นเวลาเราปฏิบัติถ้าหากรู้หลักชัดเจนแล้วจะแล้วไม่สงสัย แต่ถ้าหาเราสงสัยเราก็ต้องถามแต่บางคนสงสัยแล้วไม่ถา ม, มไม่ถามมันก็แค่ไปไม่ถูกไปไม่ถูกมันไม่รู้อะไรผู้ปฏิบัติไปไม่รู้อะไรไปทาไปทำไมมันก็เบื่อแต่มีครูบาอาจารย์พระพี่เลี้ยงเราอยู่ที่นี่มีไว้เพื่อเป็นไกด์เราเพราะท่านปฏิบัติมา ก, ก่อนเราคนละหลายปีเนี่ยพอจะบอกได้ในขั้นระดับเบสิกหรือเบื้องต้นนะถ้าเรา ศึกษาทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วหลายคนที่ได้ผ่านวิธีการต่างๆมาเนี่ยเมื่อมันไม่ชัดเจนเราก็มาศึกษาทบทวนอันไหนที่มันถูกแล้วก็คงไว้อันไหนที่มันผิดไปก็ปรับใหม่แค่นั้นเองนะไม่ใช่ว่าจะมาเริ่มต้นกันใหม่นะเพ่งองจะมาปรับใหม้มันเข้าที่เข้าทางอย่างที่กล่าวไปวันก่อนว่าผู้มาปฏิบัติที่นี่ส่วนใหญ่แลได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วแล้วก็ผู้ที่ผ่านปฏิบัติมาในระบบของการเคลื่อนไหว ก็มีหลายท่านก็มาต่อยอดอันไหนที่มันมันสื่อไม่ได้มันใช้ไม่เป็นมันเห็นไม่แจ้งก็มาปรับกันทำความเข้าใจกันนะก็ไปได้ดังนั้นในวิธีการเคลื่อนไหวในเวอร์ชั่นของอาจารย์อื่นก็อาจจะไม่ชัดเป็นบางมุมชัดเป็นบางบางมุมก็ไม่ชัดแล้วก็มาปรับแต่ของในส่วนเขาธรรมาได้มาจะเน้นในส่วนที่เป็นรูปธรรมให้เห็นพิรูปธรรมก่อนว่าอะไรเป็นอะไร ในส่วนที่จะดูแลร่างกายก็ไม่จะให้มันจะเบาเองแล้วต้องมาทาให้มันเบาไม่ใช่มันจะดีเอาเองมันปฏิบัติทําแล้วร่างกายมันดีไปเองไม่ดีเองหรอถ้าเราไม่จัดการมันอ่ะมันก็ไปร่างกายมันก็ไปตามกฎของไตรลักษณ์นะมันเคยทุกข์กระทุกอย่างไรกรทุกอย่างนั้นแต่พอเรารู้จักไตรซิขาเนี่ยมันสามารถบําบัดแก้ไขความทุกข์ทางกายได้ง่ายแทนที่จะปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมเป็ไปตามกฎของ กรรมหรือทำกฎของตจรักแต่เราให้มันเป็นไปนตามกฎของธรรมเสียด้วยการปรับให้มันพอทุนได้บําบัดมันบ่อยๆร่างกายนี้ทุกของร่างกายต้องบําบัดแต่ทุกของจิตนั่นต้องตัดออกไปนะแต่ที่บําบัดเพราะว่ามันทําให้หมดโดยเด็ดขาดไม่ได้เพรอมเป็นตามกฎของธรรมชาติโดยที่เราได้มาโดยวิบากกรรม เราเกิดมาในโดยคนวิบากของกรรมถ้าเราไม่มีวิบากกรรมเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ต้องมาเสวยทุกข์กันอย่างนี้เมื่อมีวิบากกรรมส่วนหนึ่งเราก็รับไปครึ่งหนึ่งคือรับทุกทางกายไปแต่ด้วยที่เรารู้กฎของวิปัสสนาญาณเนี่ยถึงแม้เรารับแต่ก็รับไม่เต็มรับรับส่วนน้อยเพราะเรารู้จากวิธีการแก้ไขเพราะฉะนั้นเราก็เอาธรรมะเนี่ยมาดูแลกายให้ทุกข์น้อยลงซึ่งต่างกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเขาก็ทุกข์ได้เต็มที่ละเพราะเขาไม่รู้วิธีการ ดันั้นผู้ที่เข้ามาปฏิบัติถึงว่าได้เปรียบตรงที่ว่ารู้จักวิธีการบำบัดแก้ไขได้ยินอย่างน้อยก็ได้ปัญญาเกิดขึ้นมาคือสุตะมัยปัญญานตรงนี้เขาเรียกเกิดวิชาซึ่งเมื่อวานพูดถึงเรื่องว่าจกขงอุทภรติยานจะขู่เกิดขึ้นแล้วแก่เราหมายถึงรู้จักวิธีแลจัดการกับร่างกายนะตา น, นอกจะจัดการกับเรืองกายทีนี้ ยางอุทัปปิยาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราคือตางในปรากฏล้คือรู้จักวิธีจัดการกับกายกับใจคือตัวรู้นั่นเองแล้วก็รู้จัดให้มันเข้าที่เข้าทางได้ถูกต้องก็เรียกว่าเป็นปัญญาอุทัปปธิปัญญาเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จัดเข้าลําดับกันทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจเป็นไปตามหลักเหตุผลที่ถูกต้อง โดยที่ถึงแม้จะเป็นนามธรรมก็ตามแต่ก็อาศัยรูปธรรมเป็นตัวเดินเป็นตัวเดินเหมือนรถอ่ะมันจะวิ่งได้แต่อาศัยตัวล่างเป็นตัวเดินตัวถนนเป็นตัวเดินเขาเรียกว่ามัคเพราะฉะนั้นตัวที่เราใช้ตัวสติสัมยาเนี่ยเป็นตัวเดินในทางมัคเบื้องต้นเราก็ทําตัวมัคคือมาซักซ้อมให้เกิดความรู้สึกตัวต่อเนื่องไปเรื่อยๆจิตเราก็เดินไปทางมัคที่ถูกต้อง ว่ามันเป็นสมาสตินะเป็นสมาสัมปชัญญะนะเป็นสมาสมาธินะ่ะจเข้าใจอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นนะเพราะนั้นเองหลักการอันนี้ถ้าหากว่าเราได้ทาไปด้วยได้ฟังไปด้วยมันก็ไม่ยากนะทเพราะว่าเราพูดในสิ่งที่ทำและทาในสิ่งที่พูด เรื่องไหนมันนอกเรื่องเราก็ตัดตัดไปเพราะเราฟังกันมือเยอะแล้วนะแต่ละคุบาอาจารย์ถ้าคุณมีเรื่องปริเยอะเยอะแยะมาเราให้ฟังชวนสนุกสนานไปแต่ในชั้นเรานี่มันไม่ต้องการเรื่องเหล่านั้นละผ่านมาเยอะแล้วอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระนี่มันก็รู้จักเลือกละนะเพราะนั่นเองในในจุดนี้มาถึงบอกว่าเราต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดตีจุดเดียวให้แตกไม่ต้องว่าไปหลายเรื่องอแค่เปลี่ยนตัว สัญชาติยานให้เป็นปัญญายานได้มันก็เยอะละนะแต่ทีนี้รายละเอียดที่เราชี้แจงกันเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความเป็นไปมันมามันสอดคล้องกันกับความเป็นจริงอย่างไรความเป็นจริงที่เราสบัดว่าความรู้สึกตัวอะไรอะไรก็ความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะต่อไปอย่างไรเนี่ยให้เห็นเหตุเบื้องต้นท่ามกลาง ท, ที่สุดของมัน เพราะนั้นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดที่เราเอามาทําเป็นรูปธรรมในวันนี้ก็คือเห็นในการร่างกายเราจะเดินแล้วต้นต้นยังไงทํากลางไปยังไงเราเหยียบลงไปไปที่สุดตรงนั้นเราจะลุกขึ้นยืนเบื้องต้นเราทํางไงและขณะยืนรู้สึกยังไงจะยืนแล้วรู้สึกอย่างไระ น, รไรนะมันก็จะ บูรณาการไปในส่วนอื่นๆด้วยเป็นร้อยอย่างพันอย่างแต่ขอให้จับหลักเบื้องต้นให้ได้เวลาเราจะพูดเราก็เริ่มเบื้องต้นเราพูดอย่างไรและในท่ามกลางขณะพูดเป็นอย่างไรและพูดจบแล้วเป็นอย่างไรรู้ลึกเข้าไปอีกในขณะที่เบื้องต้นขณะที่มันรู้สึกเบื้องต้นเป็นอย่างไรและท่ามกลางของความรู้สึกเป็นเบื้องแฝงความรู้สึกเป็นอย่างเบื้องต้นของความรู้สึกก็เป็นอนิจจัง ทางกายใช่ไหมทำการข้อความรู้สึกทางกายก็คือทุกขงังและบรรปลายของความรู้สึกคืออนัตตาในส่วนที่เป็นไตรัรกพอใจสีขาเบื้องต้นเป็นยังไงเบื้องต้นคือเป็นที่ว่าจนช้าว่างดงามเบื้องต้นเป็นศีลใช่ไหมงดงามเบื้องต้นใยศีลแล้วศีลเกิดอย่างไรเปลี่ยนจากใจรักมาเป็นใจสีขาได้อย่างไรก็รู้ที่ไปที่มาและเบื้องต้นของ ใจสี่ขาก็คือศีลธรรมกลางของใจสี่ขาคือสมาธิและบรรพายของใจสี่ขาก็คือปัญญาแล้วก็เอาตัวเนี่ยไปจับในลักษณะต่างๆทั้งรูปธรรมนามธรรมเบื้องต้นของกิเลสคืออะไรทรามกลางของกิเลสที่สูตรของกิเลสมันอยู่ที่ไหนไปจับตรงนั้นนะพอเราได้สูตรตายตัวแล้วอย่างเงี้ยได้สูตรบอกโลคคุณหารแล้วตัวเลขมันจะกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านหลักพอมาจับ ใส่กฎเกณฑ์ของบวกลบคูณหารก็ออกมาได้ตามนั้นเป๊ะเลยนะมันค่ยมีแค่สี่อย่างใช่ไหมบวกลบคูณหารมันเข้ากฎ ข, ของอริยสัจสีกฎของอริยสัจสีท่านก็คิดมาจากกฎของบวกลบคูณหารนั่นเองนะทำไมจึงว่าอย่างนั้นบวกลบคูณหารข้อไหนเป็นทุกขังถ้าบวกลบคูณหารถ้าจะเปรียบอริยสัจสี่ข้อไหนเป็น ทุกขังเนี่ยคนจะเป็นบวกถ้าเป็นลบคนจะเป็นคูณแล้วเป็นหารอ่ะมาช่วยกันคิดหน่อยคนไหนๆคนไหนๆแล้วนี่ทุกขังคนจะเป็นบวกก็เป็นลบแล้วเป็นคูนเป็นหารคุณเฉเกียรติอย่าฟังอย่างเดียวช่วยอย่างคิดด้วยอ่าเป็นบัวสมุทัยคนจะเป็นบวกลบถือคุณหรือหาร นิโรธคนจะเป็นบวกลบคูณหรือหารมักคนจะบวกลบหรือคูนหรือหารเอาละสิทีนี้เป็นคุยชันที่เราจะต้องมาแมตกันละ ว, ว่าในส่วนหารกับลบบวกกับลบคูนกับบวกเนี่ยหลักเดียวกันใช่ไหมหารกับลบนี่หลักเดียวกันไหม อ่าเห็นไหมเรื่องย่อเข้ามาแล้วหารกับลบหลักเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวทุกขังควรจะเป็นชุดไหนควรจะเป็นหารกับลบหรือคูณหรือบวกทุกขังนะอันนี้กระตีบอะ่ะมันก็ต้องเป็นลบใช่ไหมแล้วก็ ตัวไหนเป็นหารสมูทัยเป็นหารนิรุเป็นบวกมรคเป็นคูณไปส่งเ้ากันให้ดีนะเพราะนั้นกฎบวกลบคูณหารก็ามาจากทุกสมูทัยนิรุตมรคนั่นเองอ่ะมาไม่ได้มั่วนะไปแมทให้ดีก็เลยนั่นเองแม้แต่หลักของความเพียนเหมือนกันนะที่เ่าแบ่งเป็นสีนะ่เนี่ย มันมีบวกลบคูณหารหนึ่งระวังใช่ไหมในสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าให้มันเกิดสองสิ่งที่เกิดแล้วให้ตัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยให้ตัดเป็นลบเลยใช่ไหมสามสิ่งที่ดีทั้งหลายเนี่ยให้เพิ่มขึ้นเป็นคูณแล้วใช่ไหมสีเมื่อมันเพิ่มได้ที่แล้วก็บวกไว้เรื่อยๆการรักษาละก็หลักการเดียวกันนี่แหละ แต่ขอให้เข้าใจหลัก น, นี้ว่าอ๋อมันไม่ใช่นะวิยศาสตร์เป็นอย่างนี้เองใช้ในะแง่ของคุณธรรมและนนธรรมเป็นอย่างนี้เองเมื่อเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้รู้รู้รากรู้ที่ไปที่มาปับ๊บความมั่นใจต่อความรู้สึกตัวมันก็จะมีเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะพิจารณาที่จะเลือกว่าความมั่นใจชนิดไหนที่มันถูกความมั่นใจชนิดไหนที่มันผิดความรู้สึกตัวประเภทไหนที่มันถูก ความรู้สึกตัวประเภทไหนที่มันผิดเราจะค่อยแยกแยะขึ้นเมื่อมีตัวเปรียบ ว, วเทียบที่เป็นรูปธรรมนะเพราะฉะนั้นแม้จะลุกจะนั่งจะย่างที่เดิมเมื่อก่อนมันไม่มีความหมายเลยเลยนะว่าจะลุกไปไหนก็พุ่งไปเลยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดการเพราะมันได้ข้อมูลแล้วเนี่ยการจะลุกแต่ละครั้งมันหมายถึงว่าต้องทำเบื้องต้นให้ดีให้งดงามใช่ไหมอ่าแล้วเมื่อลุกขึ้นแล้วทํำไงให้มันดูแล้ว ไม่กระโดกกระเดกทำ ง, งานให้ดูแล้วมันเรียบร้อยสวยงามงดงามในทำากลางแต่เมื่อยืนขึ้นแล้วดูแล้วสงา่าไม่หกไม่ลม้มไม่พิกลพิการไม่กระโดกกระเดกไม่สวิทถวารไม่พิกลพิการลุกขึ้นแล้วสงา่าพร้อมที่จะเดินได้ฮะงดงามในบรนปลายดังนั้น ในหลักการอันนี้ดูเหมือนว่ามันเป็นนามธรรมแต่ในเมื่อเราตั้งใจฟังให้ดีด้วยปัญญาเราจะเห็นว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติทั้งหมดแต่เมื่อเราใช้กฎของไตรสิขาคือสีนสัิปัญญาเข้ามาจับมันก็จะเป็นกฎแห่งสัจธรรมที่สามารถพัฒนาตัววิชาให้เกิดขึ้นแทนอวิชาได้ เพราะว่าทุกทั้งหลายทั้งปวงปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดเพราะความไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้สึกตัวทีนี้เรามาสร้างความรู้สึกตัวเข้าไปทดแทนเรื่อยๆแม้ว่าความรู้สึกความไม่รู้สึกตัวคืออวิชายมันจะอยู่กับเรามาเป็นแสนแสนปีก็ตามแต่เมื่อมันถูกต้องอวิชาเพียงแป บ, บเดียวเนี่ยมันก็จะสลายไปได้ทันทีท่านเปรียบเสมือนว่า ในถ้ำเนี่ยมันมืดมาเป็นแสนแสนปีเนี่ยไม่เคยมีไฟเข้าไปเลยนะแล้ววันหนึ่งเราได้ข่าวว่าในถ้ำเนี่ยมันมีทองคําเราก็คงจะเข้าไปแบบมืดๆไม่ได้ละมันจะต้องพายแสงสว่างเข้าไปเราอาจจะต่อสปอตไลท์เข้าไปเราอาจจะไฟฉายที่สว่างที่สุดเข้าไปความมืดที่สั่งสมตัวเป็นแสนแสนปีมันอยู่ได้ไหมมันสลายลงทันทีใช่ไหมเมื่อมันต้องแสงสว่าง เพราะคามืดก็แสงสว่างมันมิติมันแพ้กันโดยนัยยะอยู่แล้ววิชาและอวิชาเมื่อมารวมกันอยู่แล้วอวิชามันต้องแพ้วิชามันอย่างค่าแล้วเพราะอวิชาคือความมืดวิชาคือแสงสว่างนั้นแล้วเราก็มุ่งที่จะสร้างแสงสว่างคือความรู้สึกตัวไว้เยอะๆเรารู้ว่าในถ้าคือกายนี้มันมีทองคําอยู่แต่เราจะเอาตัวนี้เข้าไปส่องในจิตใจนี่มีทองคําอยู่แต่มันยังมืดอยู่เราก็เพียนสร้างตัวรู้สึกตัวเนี่ย สั่งสมมากเข้าไม่ใช่มาสั่งสมนสั่งสร้างจังหวะเดินจุกมมที่นี้เท่านั้นนะในทุกขณะที่เราใช้ชีวิตเนี่ยขยับนิดขยับหน่อยเก็บไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยเหมือนกระชา์จชาร์จแบตเตอรี่เสียบชาร์จเวลตลอดเวลาเลยมันก็เข้าไปทีละยูนิตยูนิตยูนิตยูนิตจนกระทั่ททาทางว่าแบตเตอรี่มันเต็มที่นี่แล้วเอาอะไรสปอตไลท์ไปเสียบก็สว่างโล่เลยนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าคาว่ารู้สึกนั้นเป็นยูนิตแห่งความ แสงสว่างถ้าเปรียบอย่างที่เป็นรูปธรรมนั่นใช้คำว่าอโลโกโ้ปทปาร์แสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราก็หมายถึงว่าเมื่อความรู้สึกตัวที่เราสั่งสมทีเล่นนิดหน่อยตั้งแต่ตื่นนอนไปถึงหลับเนี่ยมันก็เต็มวัยใช่ไหมถ้าจะมานั่งสั่งสมและยกมือสร้างจังหวะมันไม่พอหรอกแต่ที่เรามาสร้างจังหวะเดินจูง ก, กลมนี้เพื่อที่จะให้เป็นเครื่องมือต่อไปยัง ตัวเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆล้วนแต่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกได้ทุกจุดจะรู้เล็กรู้น้อยจะให้รู้เอาไว้แต่รู้อย่างสบายเพราะนั้นทุกครั้งที่เราเข้าไปภาคปฏิบัติต้องคํานึงถึงกติกาของสัมปชัญญะสี่ตัวเสมอว่ารู้อย่างมีเป้าหมายรู้อย่างสบายและรู้ความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจต่อเนื่อง แล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องด้วยคืออสัมมหะไม่ลืมที่จะตรวจสอบความถูกต้องว่าสัมพันธ์กันแค่ไหนนี่ถ้าหากว่าเราใช้กฎของสัมปชัญญงนี้มันก็จะไม่รู้สึกมันจะไม่รู้ว่ามันผิดทางละมันถูกทางเพราะมีการสํารวจตรวจส อ, สอบอยู่เสม อ, อ น, นั้นเองในการปฏิบัติหลักอันนี้อามาว่าถ้ามาในสูตรของธรรมานนะมาว่ามันมันไม่มีเรื่องอื่นที่จะพูดกันแล้ว ผ่านครูาอาจารย์มาเยอะแยะเนี่ยมันเรื่องสารพัดเรื่องแล้วเรื่องต่างๆที่เราจะรู้เนี่ยไปตามหาในอาจารย์ Google อาจารย์ u t u b บบอกทุกที่ใช่ไปปรึกษานะคุณจะรู้เรื่องอะไรคุดกดไปตรงนั้นไม่ยากแต่เรื่องที่เราพูดกันเนี่ยมันไม่มไม่มีอยู่ใน Google มันไม่อยู่ใน y o u t u นะถ้าเราไม่ไปขึ้นไว้ตรงนั้นนะดังนั้นเองมาก็ได้สำรวจตรวจสอบสื่อเหล่านี้เหมือนกันว่าใครบ้างที่พูดในเรื่องที่มัน ที่มันจะเป็นไปในเรื่องนี้โดยประการเดียวเนี่ยก็มีไม่กี่อาจารย์นะแต่พูดแต่เรื่องาธาตุเรื่องขนันเรื่องอายตนะเรื่องสภาวะอะไรต่างๆนอกนั้นก็ออกไปเรื่องนอกตัวหมดซึ่งมันเสียเวลาปัจจุบันนีมันมีขยะทางนี้ยเยอะทีเดียวแหละบางคนก็เรียกว่าฟังธรรมดตลอดเวลาที่ขาดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขามีตลอด24ชั่วโมงกูจะฟังตอนไหนก็ได้มันก็เลย กลายเป็นขยะชั้นดีเลยนะแต่เมื่อเลือกหาสาระจริงๆแล้วเอาไม่ถูกมันเยอะเกินไปหาสิ่งที่ดีๆที่สุดไม่เจออะไรก็ดีหมดแต่อะไรดีที่สุดเราไม่รู้นะเั้าะนั่นเองที่เรามาเจรนายกเรื่องนี้เพื่อต้องการให้เห็นว่าอะไรคือดีที่สุดคือสามารถในวิธีการขอวงพ่อเทียนนั้นถ้ารู้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงถ้ารู้แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ย แสดงว่ายังไม่รู้คุณจะจาได้อย่างดีจาได้หมดในหลักสูตรของท่านแต่ว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงเคยขี้เกียจเปลี่ยนแปลงเป็นขยันมั้งไหมเคยคิดปรุงแต่งจนปวดหัวเนี่ยสามารถเปลี่ยนมาเป็นความสงบความนิ่งได้ไหมเคยเป็นคนขี้เกียจเปลี่ยนมาเป็นขยันบ้างได้ไหมถ้ามันเปลี่ยนได้อย่างนี้มันก็เรียกว่ามีการ พัฒนาแล้วเมื่อก่อนเป็นคนสขกขภกณฑ์รกลุงลังที่อยู่ที่นอนใช้ไม่ได้เลยแต่หลังจากปฏิบัติแล้วกลับไปบ้านดูไม่ว่าห้องน้ําห้องครัวที่อยู่ที่นอนเรียบร้อยไม่เกะกะรกลุงลังในบ้านเหมือนเมื่อก่อนน่ะนี่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราสังเกตได้มาไปวัด ต, ต่างๆมาก็จะไปดูแค่เนี้ยไปดูห้องน้ําห้องส่วไปดูที่อยู่ที่กินถ้าเรียบร้อยสวยงามมดงามโอเคเขาก็มีการพัฒนาระดับหนึ่งละ ขั้นต่อไปทำไงขั้นต่อไปก็ชวนสนทนาถามเรื่องท่าเรื่องขันนัยยตนาถามที่ไปที่มาถามเรื่องของความทุกข์และปัญหาต่างๆนะถ้าหากว่ามันไปในทางมรรคทางถูกต้องแล้วเนี่ยเขเข้าใจได้ง่ายพ อ, อได้คุยกันก็รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรนะนั้นเอง เราทั้งหลายเนี่ยจึงจ้องตรวจสอบอย่างระมัดระวังเพราะเดี๋ยวนี้มันมีความรู้เยอะนะในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานออกมาเป็นฤทธิ์เดชปฏิหารออกมาเป็นครั้งศักิ์สิสารพัดอย่างนะแต่เรารูา้อันนี้มันไม่ใช่ตัวสมาธิทินะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจหลักการนี้ถูกต้องเราแยกไม่ออกอันไหนเป็นสมาธิทีอันไหนเป็นวิชาทิฐิเราแยกไม่ออกเพราะเราไม่มีหลักที่ถูกต้อง แต่หลักความจําจากตํำรับตําราไปเทียบก็ไม่ได้นะถ้ามันไม่ได้ผ่านการปฏิบัติเพราะภาคปฏิบัติมันละเอียดกว่าตำลาเป็นร้อยเท่าพันเท่าถ้ารู้แต่ตําราประโยชนกล้ามันก็ยังหลงทางเลยอ่ะคณะเรียนมากันจนจบหมดอ่ะทีนี้เราทั้งหลายเนี่ยเราผ่านการปฏิบัติเรารู้รายละเอียดลึกกว่า น, นั้นก็ตรงที่ว่าตัวสภาวะรูปนามเบื้องต้นเนี่ยคืออะไรรูปนามคือความรู้สึกตัวนี่แหละแต่ถ้ามันรู้สึกตัวแล้วมันคิดไปนอกเรื่องนอกราว รูปนามก็เปลี่ยนเป็นนามรูปแล้วพอเป็นนํามรูปนี่ชักจะเอาไม่อยู่แล้วนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นความคิดพอความคิดเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นอดีตอนาคตพอมีอดีตอนาคตก็เปลี่ยนเป็นความอยากความยึดไปตามลําดับของมันนะเพราะฉะนั้นเราเพื่อป้องกันไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเราก็สร้างความรู้สึกตัวมาจัดการกับตัวนามรูปพอรู้ว่านามรูปไปที่ตั้งของ อวิชาตหาะทานกรรมไปเรื่อยๆนะอันนี้คือสาระที่เราจะต้องศึกษาร่วมกันในแต่ละวันนะเรามีเวลาน้อยแค่ไม่มากนะแค่เจ็ดวันเนี่ยไม่มากแต่ถ้าเราได้เนื้อหาตรงนี้ชัดๆด้วยความเข้าใจมันก็เพียงพอนะเพียงพอ ปัจจุบันนี้คนคิดว่ามีสติปัญญาดีของคนในอดีตไปซ้ําไปเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นรูปธรรมเนี่ยออกมาให้เห็นเยอะแยะดังนั้นเมื่อเราไปศึกษาในส่วนนามธรรมามันก็นึกถึงภาพรูปธรรมได้ง่ายเพราะมันมีรายละเอียดต่างๆที่เราสัมผัสแต่ว่าเราจะสามารถโอปะนัยโกเป็นหรือไม่หมายความว่าเมื่อเห็นรูปธรรมนี้นามธรรมามันควรจะเป็นอย่างไรเมื่อนามธรรมาออกมาเป็นนี้ถ้าเป็นรูปธรรมมันควรจะเป็นอย่างไร ตรงนี้มันจะยากตรงนั้นถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเกิดตัวโอปะนิโกคือหมายเขาว่าเห็นข้างนอกก็เหมือนเห็นข้างในเห็นข้างในก็เหมือนเห็นข้างนอกเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมในรูปมันทํางานอย่างไรนามมันทก็ทํางานอย่างนั้นแต่เราเห็นไว้ว่ามันมันสัมพันธ์กันอย่างไรนะถ้าเรายังไม่เห็นตรงนั้นก็เรียกว่ายังไม่เห็นธรรมเห็นธรรมคือมาเห็นรูปธรรมนามธรรมอะไรไปเห็นน่ะก็คือ ตัวธรรมะจักสุจักขอุงอุทัปธิธรรมจักสุคืออะไรธรรมะจักษุคือตัวรู้คือญาณญาณังอุทัปธิคือตัวรู้ของเราที่ว่าตัวรู้สภาวะรู้รูส้สแกนเข้าไปได้เตืหัวจุดเท้าสแกนจากความรู้สึกนะไม่ใช่สแกนจากจินตนาการถ้าสแกนสจินตนาการเอออนี้ผมอันนี้ผมขนเล็บฝันหนังอันนี้ก็ไม่ใช่ละไม่ใช่สแกนอย่างนี้นี่เป็นสมถะ แต่สแกนจากความรู้สึกว่าทั้งหมดอาการ32เนี่ยมันมีความรู้สึกลมรว ม, รวมมกี่อย่างแยกๆมันมีกี่อย่างเราก็ค่อยดูไปเป็นอย่างไปอย่างไปนี่คือหลักนะก็น่าจะเข้าใจได้ท่านผู้ใดเข้าใจไม่ได้ยกมือถามในสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าไม่ถามก็ถือว่าเข้าใจแล้วนะ ถ้าไม่เข้าใจก็แสดงว่าไม่รู้เรื่องเลยถามไม่รู้จะถามตรงไหนนะะนั้นนี่ก็ต้องนอกอ่านอกหรือหลังเจ้าเจอกันหลังใหม่อะไรอย่างเง้ยน่นแหละหลังใหม่ตกลงไม่มีอะไรต้องใสมีไหมแสดงเข้าใจกันหมดนะก็เป็นนั้นว่าในวันนี้ที่เราทํากันตั้งแต่เช้าช่วงเช้าถ้าไม่จําเป็นของพะอา็จะไม่ไม่พูด เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการที่จะเข้าไปดูข้างในมันเปช่วงสงบใจสงบ ก, กายสงบมันก็ดูอะไรจะเห็นได้ง่ายตอนเช้าก็พาปฏิบั ต, บติเช้าเลยถ้าจะมีอะไรที่จะมาชี้แจงกันก็ช่วงเย็นเป็นการสอบอลงไปในตัวในระหว่างวันก็มีเพราะในเรื่องทําความเข้าใจมันไม่ยากหรอกแต่ตัวที่เราจะเข้าใจทำด้วยตนเองเนี่ยมันยากตรงนั้นบางทีเราตั้งใจทำแต่ว่า เ, เราสงสัยเนี่ย สงสัยก็ขอให้ถามนะเวลาช่วงกลางวันเวลามานั่งอยู่ปฏิบัติก็เพื่อให้ถามว่าปฏิบัติไปแล้วปีไงนะเวลาหลังบรรยายหรือหลังแสดงธรรมแล้วก็ยกมือถามนะถ้าหากว่ายังไม่กล้าถามทางยูพุทธเขามีวิธีการนะใช่ไหมเขาก็แจกกระดาษให้เขียนบางทีก็เยอะไปอีกผู้คนถามหมดเลยนะบางทีเรื่องที่ควรจะถามก็ไม่ถามเรื่องที่ควรไม่ควรจะถามก็ถาม เรื่องที่ควรจะถามกับไม่ถามอย่างนี้ก็ น, นี้ก็เยอะเกินไปนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นบางทีไอ้ความพอเหมาะพอดีก็คือว่าเอาเท่าที่จําเป็นหรือเรื่องที่สงสัยจริงๆริงถามเออเรื่องนี้ที่พูดมาไม่สงสัยเข้าใจได้ก็ไม่ต้องถามนะก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อจะนําไปสู่ความเข้าใจแจม่มแจ้งหายสงสัยในเรื่องที่ เราใช้กายใช้ใจนี้อย่างไม่สงสัยมีความเข้าใจและมีความปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงด้วยการทุกคนทุกท่านเืิ